บางคนมาทุว้วนเอาเวลาไว้ภาวนาบางภาวนาต้องใช้เวลาเราฟังธรรมะให้ได้แน ว, แวรู้วิธีปฏิบัติแล้วก็ไปทาเอาแล้วไม่ทำไม่ได้มีเมื็นกันนะคนรู้ธรรมะในขณะฟังธรรมก็มีแต่ว่ามีไม่มากน้อย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 มันกขุดๆุดฝังฝังกันอยู่นั่นแหละไอ้พวกนึงฝังพวกหนึ่งขุดไปเรื่อย <laughs> เดี๋ยวนี้บางแห่งนะสร้างโบสถ์ใช้เงินเยอะ <laughs> เขาเลยฝังลูกนี้ไม่ทุกปีเลยปีละลูก <laughs> บางคนก็ยกบางวัดก็ยกชอบฟ้าปีละช่อนะมีหลายช่อยกไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านั้นก็ดีเหมือนกันให้คนทำบุญแต่มันไม่ดีเลิศเพราะมันไม่พ้นทุกข์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 ไปเรียนรู้ขันห้างของเรานี้แหละเรียนรู้ย่อๆขันห้ามากไ ป, ปก็เรียนเป็นรูปประธรรมกับนามธรรมาขันห้าเนี่ยย่อลงมาแล้วก็เหลือรูปประธรรมกับนามธรรมาตัวรูปก็เป็นรูปประธรรมตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวนามธรรมาถ้าเราเห็นรูปประธรรมนามธรรมาในกายใ น, ในใจนี้ดูไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็เห็นรูปประธรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายในกายในใจนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งสิ้นเลยมีแต่ความแปรปรวนอยู่ตลอดเวลา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 รู้เลยว่าถ้าไม่มีความเป็นตัวเป็นตนนะถ้าไม่มีความปรุงแต่งความเป็นตัวตนก็ไม่มีถ้าไม่มีความเป็นตัวตนนะความทุกข์ก็มันก็ไม่มีที่อยู่ที่ตั้งนะก็ไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นนี่ท่านเลยรู้แจ้งอริยศสตร์แห่งจิตขึ้นมาลีลาแห่งการรู้แจ้งของท่านก็ประหลาดนะท่านก็คงจเจริญสติธรรมดานี่แหละถึงเวลาก็ทาความสงบมั่งเดินจงกรมอะไรของท่านก็ทาอย่างนี้แหละ